สวัสดีคะ่ะทุกฟังที่เคารพคะ่ะรายการสันสานีสนทนานะคะสันสานีนาคงดําเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่า ว, าว f m ฟเอรคะ่ะเรามาพบกับท่านทุกวันสําหรับรายการนี้ที่มีประสงค์ซึ่งได้จัดรายการให้ธรรมะตอบคําถามดิฉันแต่ว่าท่านเนี่ยจะเริ่มพบกับทุกท่านให้ธรรมะทุกท่านทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ ส่วนที่ฉันจะมาวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ของทุกสัปดาห์มาแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะให้ท่านนั้นได้ประโยชน์กับการฟังรายการสรสนีสนทนาอย่างเต็มที่มีรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ให้เราได้เลือกเสพมากมายนะคะแต่สำหรับรายการนี้เราเชื่อว่าเป็นความแตกต่างเพราะไม่เพียงแต่ใหธรรมะแตเราให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมด้วย ตั้งแต่นาทีแรกๆของรายการหลังจากที่ดิ่ฉันพาไปพบกับพระอาจารย์แล้วก็จะเริ่มสู่การปฏิบัติเลยเนี่ยราคะไปกราบนา้ัมศการท่านกันเลยนะคะนมำสการกับท่านค่ะเจนบอลค่ะในการฟังธรรมก็จะต้องมีการปฏิบัติคู่กันไปด้วยเพราะนั้นเราจึงให้มีการปฏิบัติตั้งแต่ตอนต้นของรายการโดยการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาระลึกถึงลมหายใจเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือของการปฏิบัติธรรม เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวของเรามาตั้งแต่วันแรกเกิดเลยทีเดียวเวลาเราจะไปที่ไหนเข้าห้องน้ำไปต่างประเทศต่างจังหวัดเครื่องมือนี้ก็ไปกับเราด้วยได้คือลมหายใจของเราลมหายใจที่ออกที่ข้าวนี้เราไม่ต้องไปตามรู้ลมถึงขนาดว่าต้อง้าไปถึงคอถึงอกถึงท้องหรือไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกข้างนอกแต่ว่าให้รู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวพระเจ้าใช้คาว่าปริมุ ข, ขัง มุกเนี่ยหมายถึงทางด้านหน้าอย่างเวลาที่เราเห็นตามอาคารบ้านเรือนโรงแรมหรือว่าอาคารสถานที่ราชการบางแห่งเนี่ยเขาจะทำหน้ามุกยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกทางเข้าทางออกของลมหายใจที่เป็นทาเป็นที่ยื่นออกมาจากใบหน้าของเราก็คือจมูกนั่นเองเป็นโปรงจมูกที่อยู่ตรงนี้แต่เราจับได้เนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ได้ ให้เราจริตของเรามาตั้งอยู่นะที่ตำแหน่งนี้วันใดก็ตามที่จิตของเรามาอยู่นะตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ณนะวินาทีนั้นสติจะเกิดขึ้นทันทีในขณะที่สติเกิดขึ้นนี้แน่นอนบางทีมาจจะมีความคิดหรือว่าเราก็ได้ยินเสียงไปด้วยเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยบางทีอาจจะมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือบางทีอาจจะมีความรู้สึกทางตัวความรู้สึกจากอุณหภูมิในห้องตามสิ่งต่างๆเกิดขึ้น ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นธรรมดาความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าจิตบางดีมันอาจจะไปออกรับรู้ทางสิ่งต่างๆได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทําก็คือว่าเมื่อเรามีสัมผัสภาษสะใดๆเกิดขึ้นแล้วไม่ลืมหลงลมหายใจเมื่อเราไม่ลืมหลงลมหายใจเอาใจของเราเนี่ยมาใส่ไว้อยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยสติเกิดขึ้นจะรักษาจิตของเรารักษาจิตในลักษณะที่ จะไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตจะไม่ให้จิตนั้นไปเกลือนกล u ้วในอารมณ์ต่างๆได้อยู่ที่ว่ากําลังของฝ่ายไหนมากกว่ากันเหมือนกับเวลาที่เราเล่นชักกยื้อเนี่ยละ่ะฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าก็จะดึงจิตไปถ้าฝ่ายที่เป็นผัสสะมีกําลังมากกว่าจากภายนอกเหมือนดีเสียงหรือกระดุกกรมหรือว่าความคิดใดความคิดหนึ่งมันอาจจะดึงจิตของเราไปถ้าสิ่งนั้นมีกําลังเราจะเพิ่มกําลังให้สติของเราได้ ก็ด้วยการที่เอาใจของเรามาใส่ไว้อยู่กับลมจิตของเรานี้เอาไปจดจ่อในเรื่องใดงๆก็จะมีพลังมีกําลังขึ้นมาอยังไมไดีเราเอาใจของเราไปจดจ่อคิดการงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไอการงานนี่ก็ทําความกระจ่างแจ้งเข้าใจปัญหาต่างๆได้เช่นเดียวกันเราเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้อยู่กับลมหายใจอย่าเอาใจไปใส่ในเรื่องของคิดอย่ า, อาไปใจไปใส่ในเรื่องความรู้สึกอย่าใจไปใส่ในเรื่องเสียง ให้เอาใจมาอยู่กับลมหายใจเวลาที่เรารับรู้กับการที่เราเอาใจไปใส่นั้นไม่เหมือนกันใ น, นหน่อมอดีเร า, ารับรู้ถึงเสียันเรารับรู้ถึงความคิดเรารับรู้ถึงอุณหภูมิต่างๆในห้องแต่เราไม่เอาใจไปใส่คําว่าไม่เอาใจไปใส่นั้นก็คือไม่ไปใส่ใจมันไม่ได้ไปคิดดําเนินให้มันต่อเนื่องไปแต่ให้เอาใจมาใส่อยู่กับลมหายใจคําว่าเอาใจมาใส่นั้นก็คือตั้งสติไว้ในเองเวลาที่เราเอาจิตมาจอยอยู่กับลมหายใจไม่ต้องตามลม ไม่ต้องบังคับลมอย่างนี้แล้วสติที่จะค่อยๆเริ่มมีกําลังนี้จะเป็นการพัฒนาเป็นเหมือนกับทักษะที่เราจะค่อยๆพัฒนาไปเหมือนกับเวลาที่เด็กเขาฝึกขับจักรยานแน่นอนบางทีมันก็แรกๆอาจจะล้มบ้างอาจจะตะแคงซ้ายตะแคงขวาบ้างก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาแล้วสติของเราที่ฝึกตั้งขึ้นโดยการที่ให้เรามารู้อยู่กลมหายใจอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องอื่นๆเป็นผู้ที่ไม่ลืมลงลมหายใจอย่างนี้เป็นทักษะที่เราฝึกได้ตลอดทั้งวัน ในขณะตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นไปกินข้าวพูดคุยคนนั้นคนนี้ขับรถทํางานหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวสามารถเป็นทักษะที่เราฝึกได้อยู่ตลอดอย่เราเป็นผู้ที่ลืมหลง ล, งลงมหายใจฝึกพัฒนาทักษะในเรื่องของสติอย่างนี้สติเรามีกําลังมากขึ้นแล้วก็จะมีผลที่เป็นเอเนกผลที่เป็นผลใหญ่นี่คือเรื่องของมรรคผลนิพพานได้เริ่มจากตรงนี้แหละเริ่มจากวันนี้ณขณะนี้เราทําได้เราก็สามารถทําได้ในตลอดทั้งวันด้วยเชิญบอล สาธุค่ะท่านฝังที่ครบค่ะและนั่นก็คือการที่ท่านพระมหาไพโบนอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีที่มีการสอนปฏิบัติธรรมกันเป็นประจําเป็นคอสทุกเดือนเดือนละหนึ่งคอสเป็นปกตินะนะคะท่านก็ได้แนะได้สอนนะคะให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติอาณาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจ แล้วก็ทําได้ทันทีทีนี้บางคนก็จะบอกที่ฉันบอกว่าอแต่ว่าพฤติกรรมของคนฟังวิทยุเนี่ยคะท่านคะเรียนบอนที่เขาเลือกฟังวิทยุเพราะเขาทําอย่างอื่นประกอบกันไปด้วยได้เช่นอาจจะเตรียมออกจากบ้านใช่ไหมคะอืมอ่าสําหรับในยามเช้าหรือทํากิจในยามเช้าชไม่สามารถที่จะนั่งขัดสม า, สมาธิเนี่ยปฏิบัติรู้ลมหายใจได้หรอเอาก็ในขณะที่เรากําลังทํากับข้าว กำลังออกจากบ้านเราต้องหายใจไหมนี่คําถามแรกก่อนอันนี้ถ้าเขาหายใจอยู่อันนี้ก็ทําได้แน่นอนแล้วประเด็นที่สองก็คือสมาก็ไม่ได้บอกให้หลับตาไม่ได้บอกให้นั่งกู้ขาเนีเรื่องตรงนั้นเป็นลักษณะรูปแบบทําแบบนั้นได้ไหมก็ได้แล้วถ้าไม่ทํำแบบนั้นได้ไ้ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าการทําสมาธิการฝึกสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตอย่างเดียวค่ะนะก็เท่ากับว่าการปฏิบัติ ในทางของพระพุทธศาสนานั้นเป็นการต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้มีสติอยู่กับตัวเองกับการกระทำต่างๆของตัวเองถูกไคะใช่ใช่ะใชใชละการมีสติในการทำการงานต่างๆตัวเนี้ยเป็นทักษะที่เราฝึกไงค่ะเพราะว่าในขณะที่ระหว่างวันกุณฝึกในการที่จะทำพวกเนี้ยเวลาที่เราเจอสถานการณ์แล้วก็เมื่อเจอสถานการณ์เนี่ยหมายก่อนว่าเวลาที่เราเจะประสาที่ไม่น่าพอใจ หรือเวลาที่เราเจอภาษาที่แบบหน้าลหลงไหลเช่นว่าคุณเดินผ่านห้างแมมอันนี้อยากกินจังเลยะสติที่เราฝึกมาทั้งวันเนี่ยมันจะมาช่วยตรงนี้ว่าเงินจำไม่กินได้หรือเราขับไปกับรถไปถูกคนปาดหน้าเช่นนีที่เรียกว่าโอ้โหเบรคชนตัวโกงมันจะกรธขึ้นมาสติที่เราฝึกมาทั้งวันแล้วเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งตรงนี้ได้นี่นะคนะค่ะก็สาธุนะคะกราบขอบพระคุณท่านในส่วนนี้ตั้งแต่ตอนต้นรายการ ท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวกันบ้างล่ะนะค ะ, เ, ะเมื่อเร็วๆนี้ที่เขาบอกว่าความสามารถของมนุษย์สร้างยานอวกาศแล้วก็พายยานอวกาศในเดิ น, านทางตั้งเก้าปีเพื่อที่จะไปเฉียดดวงดาวดวงหนึ่งชื่อดาวพลูโตอ๋ออืนะคะเป็นข่าวฮือฮากันไปทั้งโลกล่ะและปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะติดตามชมสดๆได้เลยผ่านทางยูทูบใช่ไหมคะใน ยุคของพระาศาสดาเราเนี่ยมีการตรัสถึงดวงดาวต่างๆที่อยู่รอบจั ก, กรวาล น, นี้ไหมคะอ่าพูดถึงโลกโลกนี้โลกอื่นเนี่ยมีอยู่นะโดยยกตัวอย่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันนี้คือ ค, คือเป็นการพิสูจน์ให้คุณเห็นได้ทันทีนะว่าโลกนี้มีโลกอื่นมีคาว่าโลกอื่นเนี่ยคือหมายถึงดวงดาวอื่นๆแล้วก็ยังไม่ใช่แค่ที่เราเห็นยังมีอื่นๆที่เราไม่เห็น เนี่ยพูดถึงโล ก, กธาตุต่างๆที่มีเป็นอนเนกเนี่ยคือพูดถึงดวงดาวเนี่ยเป็นโลกใบๆเนี่ย น, นะที่มีเป็นอนเนกโลกเลยเป็นเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มีแต่คือพูดแค่นี้แล้วก็อธิบายว่าเนี่ยมันมันไม่เที่ยงนะมันก็ทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงเหมือนกันอธิบายเรื่องโลกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงความที่โลกนั้นมันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาค่ะแล้วก็เท่ากับว่าท่านก็มีปัญญาอย่างรู้ว่ามี แต่ว่าท่านก็เหมือนกับเป็นใบไม้ในกํามือพูดแค่เรื่องของโลกและเรื่องของความที่จะหลุดพ้นได้ใช่ความที่จะหลุดพ้นแปลว่าอ่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถสนใจเรื่องข้างนอกเยอะในอะดีฉันเห็นประโยคอยู่ข้างหน้าจอในเว็บไซต์ของข่าวก็มีบทความเขียนว่าคุณเป็นพวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือไม่คือเรื่องนอกตัวนี่มนุษย์สนใจจริงจริงใช่<ๆ>มันเป็นลักษณะนี้แหละเป็นลักษณะของตันหาค่ะ ที่จะพยายามดึงไปในที่ที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นค่ะแต่ว่าบางเรื่องเขาอาจจะต้องสนใจเพื่อที่จะมาทําให้เราอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขบนโลกใบนี้แต่บางทีถ้ามันเกินตัวไปคะคือความอยู่เป็นปกติสุขในโลกใบนี้อยู่ที่ไหนคุณหยบดิวเข้าใจไหมคือมันไม่ได้ว่าไปสนใจนอกตัวแล้วเราจะอยู่ปกติสุขบนโลกใบนี้โดยที่คุณไปสนใจเรื่องนอกโลกเข้าใจปะการที่เราจะอยู่เป็นปกติสุขบนโลกใบนี้เราสนใจที่ตัวเองในเรื่องศีลเนี่ยสําคัญ ถึงเราถึงจะอยู่เป็นปกติสุขอ่านี่นี่คือประเด็ น, นที่อนามารณ์การนำเสนอนะค่ะอืออ่าท่านลองคิดดูก็แล้วกันบางคนอาจจะคิดแล้วก็ใช่สิแต่บางท่านเนี่ยอาจจะยังมีความรู้สึกว่าไม่จริงหรอกเอ้ที่เล้งๆกันอยู่เนี่ยมันก็ต้องคิดออกไปข้างนอกบ้างใช่ไหมคะมว่าสภาพแวดล้อมใครทําอะไรเป็นยังไงธรรมชาติจะเป็นอย่างไหนหรือว่าดาวที่ไกลโพ้นออกไปเนี่ยมันอาจจะส่งอิทธิพลมาก็ได้ก็มีคนบอกไงว่าต้องเชื่อ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงขณะนี้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนออกมาพูดเช่นนี้มันอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ส่งผลกระทบของเราก็ได้ก็นั่ก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่ท่านไผบูรณ์ได้นำธรรมะของพระาศาสดามาัตั้งไว้กคือว่าการจะอยู่เป็นปกติสุขได้ก็คืออยู่กันอย่างมีศีลใช่เริ่มที่ตรงนี้เริ่มที่ตรงนี้ ท่านคะทีนี้มาประเด็นที่จะกลับนรมสักการเรียนถามซึ่งท่านก็บอกว่าวันนี้พูดเรื่องนี้สิแนะนำให้นะคะเรื่องของสุดตรงสองด้านเพราะคนชอบพูดกันตามๆกันไปว่าทางสายกลางสายกลางใช่ก็รู้ว่าทางสายกลางมีอยู่แล้วก็มีสุดตรงสองข้างแต่เข้าใจจริงหรือเปล่าค่ ะ, ะนุ่นค่ะ ก, ก็จะพูดถึงประเด็นนี้ว่าทางที่แลนดิ่งไปสุดตรงที่เราได้เคยพูดมาสัปดาหก่อนว่า มันไม่ใช่ทางสายกลางนะถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างทางที่ทางที่ลั่นดิ่งไปสุดตรง2ข้างถ้าจะเปรียบกับทางสายกลางก็คือว่า2ทางนั้นเนี่ยมันจะตันมันจะไปต่อไม่ได้แต่ทางสายกลางเนี่ยจะเป็นทางที่ไปต่อได้สองทางนั้นจะเป็นทางที่เหมือนกับไปแล้วไม่มีจุดหมายวนไปเรื่อยๆแต่ว่าทางสายกลางเนี่ยไปแล้วมันมีที่สุดจบมีจุดหมายกนิพานสองทางนั้นไปแล้วมันก็จะวนไม่รู้ไปยังไงต่อมึนแต่ว่าทางสายกลางนี่จะชัดเจนแจ่มชัด แล้วก็ตัวอย่างที่เราจะพบเจอซึ่งหลายๆคนจะมีความสับสนในเรื่องนี้ก็เลยจะเอาความสับสนนี่มาตีแผ่ให้เกิดความเข้าใจที่ดีมากขึ้นนะส่วนใหญ่จะมีความคิดว่าเวลาที่เราเจอเรื่องที่เป็นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นว่าเจอความผิดหวังอยากได้สิ่งนี้แล้วไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะปรารถนาสิ่งใด้แล้วก็ไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความแก่ความตายพวกนี้เป็นลักษณะของ สูตรตรงข้างหนึ่งคุณเจอพวกนี้คุณไปเจอเยอะๆนี่คือการทําตัวเองให้ลําบากบังคนจะมีความคิดอย่างนี้ในขณะที่ทางตรงข้ามกันถ้าเจอสิ่งที่เป็นสุขร่ํา ร, รวยด้วยสิ่งของเข้าของเงินทองมีความสมหวังต่างๆร่างกายยังแข็งแรงไปฉีดโบท็อกซ์ไปฉีดสาร น, นั้นสาร น, นี้ก็แข็งแรงขึ้นมาหายจากโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้แตะมีความเป็นอยู่สุขสบายอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเป็นสูตรตรงอีกทางหนึ่งแต่คุณใช้ชีวิตแบบนี้แหม มันดีมันสุขแต่ซึ่งตัวนี้เป็นความเข้าใจที่สับสนอยู่<ะ>แต่สับสนระหว่างเรื่องของความทุกข์กับเรื่องของตัณหาแล้วก็เรื่องของมอรรคเราทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าถ้าคนชีวิตคนเราเนี่ยมันเจอทั้งสุขเจอทั้งทุกข์สิ่งที่อรรมาพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นความผิดหวังเป็นความแก่เป็นความเจ็บไข้พวกนี้เรียกว่าทุกข์อย่างหนึ่งนะเป็นทุกขเวทนาเป็นตัวแ<ะ>ทนของทุกขเวทนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขสมหวังคุณเจอ ความหนุ่มแน่นความสาวความแข็งแรงพวกนี้คือเป็นสุขเวทนาโรมไมอีกกองหนึ่งแนะซึ่งความสุขหรือความทุกข์ที่เราเจอในชีวิตเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นลักษณะสุดโต่งสองข้างมันยังไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสุดโต่งสองข้างเนี่ยมันอยู่ตรงที่จิต ข, ของเรา น, นี่คือสิ่งภายนอกนะความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นที่เกิดเป็นผลของสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมากระทบใจเราทําให้เราสมมุติว่าอ๋อไอ ลักษณะแบบนี้เป็นความสุขลักษณะแบบนี้เป็นความทุกข์แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทําความเข้าใจเนี่ยลักษณะที่จะเล่นดิงไปสุดโต่งก่อนแล่นดิงไปสุดโต่งก่อนนะก็คือไปแล้วมันจะตันเนี่ยก็คือถ้าเรามีความกําหนัดลุ่มหลงในความสุขนี้อันนี้คุณจะตันไปแล้วมันจะตันเพราะว่าความกําหนัดลุ่มหลงเนี่ยมันจะทาให้จิตเราเศร้าหมองพอจิตเราเศร้าหมองมันจะติดแงะคือติดแงะนี่คือไปไหนไม่ได้จิตเราเศร้าหมองนะเพราะความลุ่มหลง โมเหมาเปลื่อเปลือในสุขเทตนานี่กําลังพูดถึงเรื่องจิตนะคในขณะที่เจอความทุกข์แต่ถ้าเราเจอความทุกข์แล้วเราขยะกขยงเกลียดช้างไม่อยากได้อันนี้เราก็จะติดแงะเพราะว่ามีวิภาวะตหาวิภาวัตนานะเกิดขึ้นนะก็จะรัดรึงจิตของเราก็แงกเหมือนกันไปไม่ได้เนี่ยจิตที่มันไปไม่ได้นี่คือตรงนี้ไปไม่ได้นี่คือตันแล้วไปสุดโต่งแล้วเนี่ยทำไมจิตถึงถูกดึงไปทางลุ่มหลงถ้าเจอความสุข ทำไมจิตถึงถูกดึงมาในความไม่พอใจถ้าเจอลักษณะของความทุกข์นั่นเพราะว่าตัณหาเนี่ยเป็นตัวรัดเริงเอาไว้แต่ตัณหาเนี่ยมันจะพยายามที่ดึงให้ไปสองทางดึงให้ไปออกนอกทางดึงไปคิดเรื่องข้างนอกบ้างดึงไปคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้บ้างที่มันไม่ใช่เหตุที่แท้จริงอันนี้ลักษณะพระพุทธเจ้าเคยเป ร, เรียบเทียบไว้เหมือนกับเชือกที่ผูกคอสุนัขเดินผูกไว้หลวมๆแต่แก้ได้ยาก เวลาที่ผูกไว้หลุมๆแต่แก้ได้ยากเนี่ยหมายความว่าเงื่อนของมันเนี่ยมันแน่นแต่ว่าเวลาที่มันรัดคอมันไม่ได้รัดแน่นมากมันรัดพอให้หายใจได้ใช่ไหม <Okay. S 1> ทำใหสุนัขที่ถูกผูกอยู่เนี่ยไม่ได้มาสนใจตรงเครื่องผูกรัดตรงนี้แต่ไปสนใจสิ่งภายนอกแต่แต่ว่าพยายามดึงไปเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกเพราะว่าถูกรัดอยู่ <Okay. S 1> แต่คนที่แล่นดึงไปสุดโตง่งคำ ว, ว่าสุดโต่งเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอันเตอันตะก็คือหมายถึงว่าทางตันทางสุด มันก็จะติดแขกอยู่ด้วยอำนาจของตัณหามันรัดเริงเอาไว้แต่ที่นี้ทางสายกลางเป็นยังไงทางสายกลางก็คือทางที่มันจะรอดออกจากตรงนี้ไม่ถูกรัดเริงด้วยตัณหาไม่ได้ถูกครอบงําด้วยอำนาจของทิฏฐิแต่มันก็มว่าในขณะที่เราเจอความสุขถ้าพวอเรามีสติสัมปชัญญะเห็นโทษในความสุขนั้นความลุ่มหลงมัวมองเพลิดเพลินในความสุขเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคลายไปแต่พอมันคลายไปปุ๊บเนี่ยจิตเราก็จะสว่างขึ้นมาจิตเราก็จะ มีสติขึ้นมาสิ่งที่มีสติสว่างขึ้นมามันก็จะสามารถตัดสินใจได้ไม่เป็นไปตามอำนาจของมันนี่คือจริงรอดออกมาได้เป็นทางผ่านมาละในทางผ่านนี้คือแบบไม่ไปตันอยู่ตรงนั้ น, น, นในขณะที่เราเจอความทุกข์นี่ก็เหมือนกันเจอความทุกข์ความผิดหวงังสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรามีคุณธรรมเช่นความอดทนมีคุณธรรมเช่นความที่ไม่ข ย, ขยกักขันแข็งไม่ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ว่ายังรักษาศีลเจริญสมาธิทำภาวนาอยู่ได้อันเนี้ยคือจิตที่ดีไม่ไปถูกกลุ่มรุมอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นความทุกข์แต่ตรงเนี้ยจึงเป็นทางสายกลางออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขความทุกข์นั้นไม่ใช่ทางสุดตรงสองข้างแต่สุดตรงสองข้างนั้นคือจิตของเราที่มันติดอยู่แงกอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นอันนี้คือเรื่องที่1 น, นะเรื่องที่1นึ่งสิ่งอันหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจก็คือว่าจิตของเราเนี่ย มันมีตัณหามาตั้งแต่แรกแล้วจิตของทุกคนเลยนะถึงแม้แต่ของพระพุทธเจ้ า, าตอนที่ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยก็ถูกตัณหาครอบงำอยู่ทีนี้จิตที่ถูกครัณหาครอบงำอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่เจอความทุกข์เช่นความผิดหวังหรือความเสียใจที่มาในรูปแบบของทุกขเวทนาเลยนะเราจะทําให้มันสดใสให้มันแจ่มใสเนี่ยไม่ได้เพราะว่าประเด็นมันคือตรงนี้คุณโยมติว่าจิตของคนเราเนี่ยถ้าบ่อยเจอแต่สุข จอแต่สุขเจอแต่สุขเจอแสุขอันนี้ก็ดีมันก็จะมันก็จะหแบบว่ามันก็จะเศร้าหมองไปถูกกลุ่มรุมถูกรัดรึงใช่ไหมจีก็จะเกลื่อกลัวไปตรงนั้นมันก็เศร้าหมองไปแต่ข้อดีของความสุขตรงหนึ่งก็คือว่ามันไม่เที่ยงไอข้อดีของความสุขที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันจึงเป็นประเด็นให้เราเห็นว่าอ๋อถ้าสุขเนี้ยเปลี่ยนเป็นทุกข์มีความทุกข์เกิดขึ้นนะไอสุขที่เปลี่ยนเป็นทุกข์เนี่ยจะทําให้เรามีความหน่ายมีความคลายกําหนัดในสิ่งที่จากสุขเปลี่ยนเป็นทุกนนั้ สมมติว่าเรากำหนดในกายของเราแหมฉันสวยจังฉันหล่อจังฉันมีกล้ามเนื้อฉันแบบว่ารูปร่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะคุณกำหนัดลุ่มลงตัวนี้จิตก็เศ้าหมองไปละถูกรัดรึงไปละตันละสุดโตงข้างหนึ่งละในขณะที่ร่างกายเราเป็นอย่างนี้10ปี20ปี30ปีผ่านไปผ่านไปเอมันเหี่ยวลงแฮะมันไม่ได้เป็นแบบเดิมแฮะไอ้ความที่มันไม่ได้เป็นแบบเดิมเปลี่ยนจากสุดแล้วเป็นทุกเนี่ยทำให้จิตของคนนั้นเนี่ยที่เขามีความกําหนัดตอนแรกเนี่ยเขาคลายกําหนัดได้ พอคลายกำหนัดได้ไม่ลุ่มหลงแล้วจิตเนี่ยจะบริสุทธิ์ขึ้นได้ตรงนี้จิตที่บริสุทธิ์ขึ้นตรงนี้เนี่ยนะคือเริ่มออกจากทางตานันละมันจะไม่ไปติดแงกอยู่ตรงนั้นแต่เริ่มออกมาแล้วเริ่มมีแสงสว่างแล้วใน ต, ตรงที่ออกมาตรงนี้แหละเรียกว่าเห็นทุกเห็นทุกแล้วจึงเห็นธรรมะเห็นธรรมะตรงส่วนที่ว่าเราจจแจ่มใสแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วตรงนี้นั่นเองแต่ตรงนี้คือจึงเห็นมีคําที่พระพุทธเจ้าบอกว่า เห็นทุกแล้วจึงเห็นธรรมคือเห็นตรงนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อเห็นทุกแล้วจะมีความหน่ายพอมีความหนาแล้วมันจะคลายกำหนัดได้บ้างพอคลายกำหนัดแล้วจิตมันจะแจ่มใสขึ้นมาได้จากประเด็นตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นให้เจอทุกเนี่ยดีแต่ว่าเจอทุกแล้วอย่าไปกำหนัดแบบว่ า, าลุ่มหลงแล้วก็ไปลําให้คร่ําครวนอย่างเพลิดสติเพรา ะ, ะนั้นคือมิภาวะตันหา <Okay. S 1> ในขณะที่สุขมันเปลี่ยนเป็นทุกจังหวะนี้แหละเราจะสดใสขึ้นมาได้ เราจะพ้นได้ให้เห็นให้ดีน่นตรงนี้ค่ะชาธุค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านไปบู์ได้กล่าวถึงอยู่เสมอแต่ดิฉันเข้าใจว่าท่านคงได้พบว่าจุดที่คนเข้าใจเรื่องสุดโตงจะเข้าใจกันผิดๆซึ่งดิฉันเองก็เข้าใจเช่นนั้นนะคะอ่าพูดถึงก็ยังคิดว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกที่ว่าอ่าก็ การมาสุขคาริการิโยโคคือทางซี่ของความสุขใช่ไหมคะในกามใช่ต่างๆทางหูเป็นต้นแล้วก็อีกฝั่งนึงเขาเรียกอะไรนะคะอ่าทรมานตนให้ลำบากอ่าการทรมานตนให้ลำบากก็คิดว่าก็พุทธประวัติก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงก่อนจะออกจากวังเนี่ยโหสมบูรณ์พูนสุขมากมีปาสามดูดูพออีกฝั่งนึง การทรมานกายกว่าจะบรรลุธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยบางเรื่องนี่มันเหลือจะคิดว่ามนุษย์จะทำใช่อดาอาข้าวจนท้องกิวอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้น อ, อย่างดิฉันว่าธรรมดานะคะตอนอ่านพุทธประวัติเราช่วงแรกๆเราก็ว่าแย่แล้วใช่ไหมคะมแต่พอมาอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนี่ยที่ว่าท่านฉันอุจจระปัสวะของอตนเองอถูกไหมค ะ, ะคลานเหมือนกับอาสัตว์สี่เท้าเนี่ยนะคะ ทําอะไรก็แล้วแต่ที่โยคีก็ทําทกันสุดๆเข้าใจอย่างนี้จริงๆอืมแต่วันนี้ท่านทั้งหลายถ้าฟังจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าสุดตรงของท่านเปรู์ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะทังด้านคือค อ, คอที่พระพุทธเจ้าทําอย่างนั้นตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยคือคือสุดๆไปเลยคือสุดๆไปเลยให้มันถึงที่สุดตรงนั้นไปเลยในขณะที่สิ่งที่เราจมาพูดวันเนี้ยมันไม่ได้สุดขนาดนั้นแต่ว่ามันจะตันอยู่ แต่ <Okay. S 1> มันไม่ได้สุดตรงกันนั้นแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา <Okay. S 1> ซ, ซึ่งมันก็ตันเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวแทนตัวแทนที่พระพุทธเจ้าได้ทำเอาไว้คือการประกอบความสุขเช่นอยู่ในประส า, าราชวังใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วในขณะที่การตำรมาตัวเองทุกข์กรริยาอันนี้คือการอตากิลามะถาวโยคตำรมาตัวเองให้ลําบากนี่คือสิ่งที่ท่าน represent ขึ้นมาแทนตัวแทนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกสอนและ <Okay. S 1> ทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับในชีวิตประจาวันของเรา ไอ้ความสุขที่เราเจอเล็กๆน้อยๆเช่นกินข้าวอร่อยคนนี้เขาพูดแบบว่าหวานหวานให้เราฟังอันนี้คือการมัสุขหลิกานุโยคถ้าคุณตั้งจิตไว้ผิด ใ, ในขณะที่บางทีเราปวดท้องกลห้องน้ำนะถูกคนขับรถปาดหน้าหรือว่าถูกเขาดา่าอันเนี้ยถ้าตั้งจิตไว้ผิดนะเป็นอัตตกิรามภาานุโยคถ้าตั้งจิตไว้ผิดนะแต่ว่าถ้าตั้งจิตไว้ถูกนะคือตามมาร์กแบดคุณจะรอดจากสองฝั่งนี้ไม่ถูกดึงไปทางนั้นได้ ค่ะอันนี้คุณคุณยัติ่เข้าใจเนาะอันนี้ค่ะคือเพื่อที่จะให้นําออกมาใช้ประโยชน์กับตัวของเราเองได้นะคะเพราะว่าตัวอย่างของพระพุทธองค์นี่ก็เป็นตัวอย่างแบบให้เราได้เห็นทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งหมดด้วยความเป็นสมมติฐานนี่ต้องทําอย่างนั้นแหละอ่าสุดๆไปเลยแต่ของเราเนี่ยจริงๆเราก็เจอสุดตรงสองข้างกันอยู่เสมอเสมอทุกวันทุกวันเลยมันจะติดแงกไม่ทั้งนี้ก็ติดแงกทั้งนี้เดี๋ยวไม่เรื่องช้อปปิ้งก็เรื่องผัวเรื่องลูก มันทำให้เราแบบไม่ก้าวหน้าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาทําความเข้าใจซะให้ถูกว่ามันก็มีประโยชน์ที่เรามีความทุกข์กับการไปติดข้องอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันใช่ใช่ท<ช>ีนี้ว่าจุดที่พอเราเจอความทุกข์หรือความสุขเจอความสุขเอาแล้วทําไงไม่ให้เป็นไปติดตรงนั้นไม่เป็นการมัศุกานหรือการนโยมคือจิตเราต้องไม่ไปเกิดกลั่วไม่ไปลุ่มหลงปัวพัน จิตที่จะไม่ไปเกลื้อเกลื่อนรุ่มหลงผัวพันได้คุณต้องทํามาร์กแปดตรงนี้จะมีความปริสุทิ์ขึ้นมาได้แต่ขณะที่เราเจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราจะไม่ไปขยักยั้งเกลยียดช้างมีภาวะตัณหาหรือรวิภภาวะตัณหาขึ้นมาได้เนี่ยคุณก็ต้องเจริญมาร์กแปดแล้วคุณก็จะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ค่ ะ, ะท่านได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่หนึ่งว่าคนเราเนี่ยก็มักจะชื่นชมมีความสุขกับการที่ร่างกาย ยังเป็นปกติดีใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เจ็บไข้เหมือนกับตื่นเช้ามาท่านว่าอาจจะเป็นกับทุกคนก็ได้โยเฉพาะคนในหนุ่มยังสาวเดินผ่านกระจกปุ๊บมองกระจกล้างหน้าอ่าทําอะไรเสร็จก็ยิ้มให้กระจกสักทีนี่อ่าหล่อไหมสวยไหมใช่ไหมคะแล้วก็มันจัดได้ทรงอยู่แล้วก็ขอไปปาดมันนิดนึงเนียใช่ค่ะทีนี้ท่านกําลังพูดถึงว่าแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปได้พบในกระจกว่าร่างกายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนละอืมอ่า ความเปลี่ยนนั้นรู้สึกว่าเออเราแก่มีความทุกข์ถูกไหมคะขณะนี้เข้าสู่แดนของความทุกข์ละสมมุตินะคะอารมณ์เนี้ยมันจะมีความหน่ายนิดนึงละค่ะอเออมันมีสองอย่างนะคะท่านคะมันหน่ายมันมันบางทีมันไม่หน่ายมันกลัวมันยังอยากจะให้อ่ียกตรงนี้สักหน่อยดีกว่านี่ไงมันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วนะคะท่านมันจะได้พอที่จะอ่าก็คือมันถูกดึงเลยไปไงคือคือขามันจะตกตรงนี้ใช่ไหม คุณอยู่ตรงเรากำลังพูดถึงจุดนี้นะจุดเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยคุณเริ่มเห็นแล้ว่าเฮ้ยมันตรีนกานะมันเหี่ยวหน้ามันไม่สีไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันเริ่มตกแล้วตรงนี้ถ้าเผื่อมันตกแล้วมันเลยไปเนี่ยมันตกไกลไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฉันต้องไปฉีดนั่นฉันต้องไปทําไปนี่นี่คือมันเลยไปแล้วนะมันเลยไปแล้วตกไกลไปแล้วแต่ในขณะที่มันตกตกอยู่เนี่ยมันจะมีอารมณ์อยู่ต่างๆเราต้องต้องดูให้ดีก่อนนะมันจะมีอารมณ์ความเบื่อเกิดขึ้นก่อนอันนี้แน่นอน อมีอารมณ์ความเบื่อหน่ายนิดหนึ่งเบื่อในไหนเบื่อในรูปที่เราเห็นผ่านทั้งไหนผ่านต่งตางๆเอานิดไปทีละช้าๆนะคุณโยมติ๋วนะไปช้าๆ <Okay. S 1> เพราะเราเห็นรูปผ่านต่งตางๆว่าเอ้ยนี่มันรูปฉันนะมันไม่เหมือน20ปีก่อนเราจะมีความหน่ายในรูปนั้นหน่อยหนึ่ง <Okay. S 1> มากน้อยอันนี้ไม่รู้เร็วชา้าบางทีก็แล้วแต่คนด้วยนะพอมีความหน่ายในรูปนั้นหน่อยหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดผัสสะขึ้นณนะจุดนั้นถูกไหมเรามีผัสาะที่เกิดมาต่งตางๆปุ๊บแล้วอารมณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้น ถ้าเป็นอารมณ์ที่เกิดความขยัขันแข็งไม่ชอบใจพวจน์นั่นคือวิภวะตัณาเข้าทํางานทันดีควิปวะตัณหาเข้าทํางานหมายความว่าฉันไม่อยากได้รูปนี้มันจะดึงพวกคุณไปสุดตรงไอ้ก้างหนึ่งทันทีว่าฉันไม่อยากได้เมื่อกฉันต้องทํำอะไรสักอย่างหนึ่งมันมันต้องไปอย่างนั้นนะตรงนี้ด้วยวิปวะตัณาแต่ถ้าณจุดนั้นเรามีสติหยุดตรงนี้ไว้ได้ก่อนมีความไหน่เกิดขึ้นพวจนเนี่ยพอมีความไหนเกิดขึ้นมีสติสติเนี่ยจะพามาทางกลางมาทางมัชชิมาปฏิปตา เราจะเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นเป็นก็เรียกว่าเป็นความหน่ายคลกําหนัดปล่อยวางได้เกิดตรงนี้หนายแล้วนะถ้ามันทะลุเลยไปนะมันก็จะหนายเกิดความเสียใจเกิดความสลดสังเวชเป็นไปตามของวิภากษ์วิจาแต่ถ้าเราดึงมาอีกทรั้งหนึ่งด้วยอํานาจของรหนายแล้วนะด้วยอํานาจของสติเนี่ยจะมีความคลายกําหนัดมีความคลายกำหนัดด้วยอํานาจของปัญญาและขั้สมาธิเนี่ยก็จะปล่อยวางได้ตรงนี้ความบริสุทธิ์จึงเกิดขึ้นได้ตรงนี้ นะคะนี่เป็นการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของทุกๆคนแหละดิฉันว่ามีเหมือนกันหมดตัวเราเนี่ยเป็นวัตถุทางด้านของการที่จะให้อุปคขาเรียกอะไรคะให้เห็นให้เห็นได้ใช่ให้เห็นธรรมะอืมแล้วตรงนี้มันเป็นความเขาเรียกว่าเป็น advantage เป็นประโยชน์ของความเป็นมนุษย์ค่ะจริงๆจะว่าไปนะคะท่านคะในความเป็นจริงมนุษย์เนี่ยตอนแรกมันเห็นครั้งแรกตกใจนะคะผมเริ่มหงอกแล้ว แต่พอสมมุติสู้กับมันก็ไปยอมใช่ไหมคะอืมเออเดี๋ยวมึงก็งออีกละได้ชั่วคราวเนี่ยมันก็เริ่มยอมรับยอมรับยอมรับออยอมรับตรงตรงนี้นะไปทีละขั้นตอนคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเรื่องของเทวดาเทวดาเขาจะเห็นตรงนี้ยากเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะมีแต่วัสดสุกสุ ก, ส, ก, ส, กสุกอย่างเดียวไอ้สุกแล้วมันเปลี่ยนเป็นทุก ข, ข์ของเขาเนีจะมีน้อยอ๋อเหรอคะอ่าใช่ทำให้บางคนทำให้เทวดาบางคนเนี่ยก็คิดว่าฉันจะมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าโอเคอัจนรย์โยไปก่อนทีนี้จังหวะที่เรา เ, เห็นแล้วเราไปย้อมย้อมแล้วก็มันก็ขาวอีกอย่างเงี้ยนี่คือโอกาสตลอดเวลาเลยไงแต่เราพลาดไงเราพลาดโอกาสที่เราจะให้เห็นความหนาดคลกํากหนัดโอเคเนี่ยธรรมะกำลังพูดถึงคนที่จิตใจเขาเป็นอย่างนั้นนะนะแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยจิตใจเข้าใจในเรื่องธรรมะเหล่านี้ดีแล้วแต่ว่าไปย้อมเนี่ยก็ก็ตาม <จำ S 1> สังคมอาจจาเป็นก็ทํา <ำ S 2> ไปจิตใจเขาสบายอยู่เขาใครกําหนัดไปว่าเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วแต่บางทีเขาก็ต้องทําำนะค่ะอันนี้ก็ธรรมดาก็ทําไปแต่ว่าถ้า ยังไม่เข้าใจแล้วก็ผ่านโอกาสนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนาฬิกาเหมือนมันเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกไงค่ะนาฬิกาปลุกตรงเนี้ยมันก็จะเตือนหนักขึ้นและหนักขึ้นมาจากความแก่มันก็จะเป็นความเจ็บไข้เจ็บมันก็เจ็บนิดๆหน่อยๆตอนแรกแ 1200, ค่ลุกนั่งแล้วเจ็บหลังๆมันก็เจ็บข่าลามขึ้นมาก้นมาขามาไหลมาหัวเจ็บหมดตัวทําไงลุกก็ลุกไม่ได้มันจะตายแล้วค่ะแต่มันก็จะเตือนมาเรื่อยๆอย่างนี้ เป็นเหมือนนาฬิกาปลุกหรือข น, นนั้นท่านพูดเนี่เหมือนท่านทราบว่าดิฉันกําลังเป็นอะไรอยู่ในบางส่วนแล้วนะคะ <c oughs> คือเริ่ม <c oughs> เริ่มได้พบว่ามันมีอาการอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นเมื่อวันเวลาผ่านมามากๆอืนะคะอาการอย่างชนิดที่เมื่อก่อนคุณแม่เราบน่นนี่แต่มันเกิดขึ้นกับเราเร า, เรายังอายุแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยคะและดิฉันก็มีความเชื่ออยู่ยานว่าสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เนี่ย ก็คงจะคล้ายๆกันเพราะมันเกิดบ่อยๆเข้ามันก็ยอมรับนะคะเนี่ยเมื่อมันสู้ไม่ได้มันก็ยอมรับยอมรับใช่ไหมอันนี้เหมือนกับมันเกิดธรรมะอย่างหนึงถูกต้อยอมรับนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าพอเราเรอบรู้แล้วเราจึงยอมรับมันยอมรับอะไรความทุกข์นี่แหละนี้ปัญญาเกิดนะคุณโยมติว๋วปัญญาในริยะสั้นสี่เกิดขึ้นเลยนะว่าอ๋อทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้แหละยอมรับนี่คือเทอร์มสแตนด์คอนดิชันเทอมสแนคอนดิชันของเงื่อนไขาการให้บริการของร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้คุณยอมรับตรงนี้ปบเนี่ย เพ้อเลยปัญญาเกิดทันทีจใจเราจะวางเย็นอันนี้คือความวางความเย็นที่เกิดขึ้นจากอะไรนิโรธเกิดแล้วนะนิโรธคือความพ้นนิโรธหมายถึงความดับเย็นนะนะพ้นจากอะไรพ้นจากไอ้ความที่เราจะต้องไปคล้องว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างเนี้มันจะให้ทํำยังไงคือฉันยอมรับของมันแล้ววางเลยเราใจจเราะสบายขณะนี้เท่ากับว่าเมื่อมันเกิดการยอมรับขึ้น การจะเกิดขึ้นมักแปดก็เกิดขึ้นได้ง่ายถือว่าก่อนหน้านี้มันก็เกิดมาแล้วนี่เป็นกระบวนการของมันเลยล่ะตรงนี้ล่ะกระบวนการของมันเลยละตรงนี้ละ่ะนะคะเมื่อยอมรับปุ๊บเนี่ยเราจะเดินมักแปดได้ง่ายขึ้นคือคือมันเป็นอย่างนี้เลยกระบวนการอ่าเดินตามมักแปดแต่ทําให้คุณยอมรับได้มาอยู่ตลอดอยู่แล้วอ๋อค่ะแล้วมันก็จะละเอียดไปเรื่อยๆนะละเอียดไปนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องดูกระจกอยู่แล้วทุกวันทุกวันเนี่ยอืมมันก็จะพบโจทย์ ให้เราได้ได้คิดเป็นธรรมะต่อทุกวันทุกวันได้ก็ลองใช้การส่องกระจกของเรานะคะเป็นเป็นเครื่องที่จะทำให้เราเจริญในธรรมะของอพระศาสดามากขึ้นพูดถึงเรื่องกระจกะน ะ, ะออพระจริงๆเนี่ยห้ามใช้กระจกนะแต่พระรูชายกเว้นให้กรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ดูว่าเราแก่มากน้อยแค่ไหนจริงจริงอ๋อเหรอคะเป็น คือคือคพระเนี่ยใช่จะห้ามใช้กระจกมาดูว่าชั้นสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นมักุติพระที่เขา ไ, ได้ปฏิวัติชอบเนี่ยจะไม่มีกระจกแบบบานใหญ่ๆจะมีแค่กระจกบานเล็กๆไว้กลดผมเเห็นก็เห็นครึ่งหน้าอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 1> หรือว่าไวด้ดูพยายามดูว่าชั้นแก่มากน้อยอ๋อตรงนี้ผมขาวแล้วตรงนี้เหี่ยวแล้วก็เกลดูแค่นี้จะใช้แค่นี้เองแล้วมีบัญญัติไมไหมคะว่ากระจกต้อง มีมีว่าไม่่ใหญเกินค่ออคือมีว่าบัญญัติว่าห้ามดูเพื่อตกแต่งให้สวยงามเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีกระจกตามกุฏิของพระเนี่ยวัดบ้านอะไโฉกุฏิก็ไม่มีกระจกห้องน้ําสร้างก็ไม่มีกระจกตรงนี้บางทีคารว่าเขาออกแบบก็ใส่กระจกแต่ถ้าพระออกแบบนี้จะไม่มีกระจกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเผื่อจะไปสร้างกุฏิถวายพระแล้ปรึกษาท่านซะก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะอเสีย งบค่ากระจกไปต้องถอดออกทีหลังเอาไปทำอย่างอื่นของวัดไปก็ได้ประโยชน์มากทีเดียวนะคะสาหรับการที่เรามาทำความเข้าใจาสุดต่งสองข้างให้ถูกต้องว่าถ้าจะไปเข้าใจว่าอาทุกสุดๆุดสุกสุดสุดอย่างที่เราเคยเข้าใจเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ทาให้เราเจริญในธรรม่ายิ่งขึ้นต้องให้เข้าใจว่าเมื่อสุดๆดไปแล้วไปเจอทางตันเราจะได้รู้ว่า ต้องกลับมาหาตรงกลางละใช่ใช่ะค่ะแต่ตรงนี้ก็จะให้ฝึกให้เห็นไปเรื่อยๆการเห็นตรงเนี้ยใช้ตาตาตรงนี้ก็คือหมายถึงตาคือธรรม ะ, ะ, ะฝึกดูฝึกเห็นตรงเนี้ยจะทำให้ปัญญาเราฉลาดแหลมกคมแล้วก็เห็นทางสายกลางตรงเนี้ยเป็นการบรรลุธรรมขึ้นเป็นลําดับขั้นลําดับขั้นได้ค่ะสําหรับผู้ที่สนใจจะทบทวนธรรมะเดินเองก็ได้เปิดไปดูอยู่นะคะก็คือมีอยู่ในเพียวธรรมะ .com ซึ่งในนั้นก็จะนำเอารายการที่ได้ออกอากาศนี้นะคะไปออกอากาศซ้ำพร้อมทั้งยังมีข้อความที่ถอดมาจากสาระของธรรมนั้นสำหรับคนที่สะดวกเพียงการอ่านมีพระสูตรประกอบเป็นช่วงๆไปเพื่ อ, อที่จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้จริงๆนะนะคะ ค่ะแล้ววันนี้ก็กราบน้มสักการขอ บ, บคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะน <Yeah, bye. S 2> มักการค่ะทานฝังที่ครบคาเดือนนี้ในระหว่างวันที่18นะคะถึงวันที่26เป็นพ่วงเวลาที่มีคนอยู่ประมาณร้อยคนเศษเนี่ยไปปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งคอร์สแล้วที่วัดป่าดอนหายโศก ค, ค่ะการนิมมทนาบุญกับทุกท่านเลยแล้วก็พวกเราก็จะถือโอกาสเรียนแบบเหมือนกับได้ไปหลีกเ่นก็ได้นะคะมีกติกาให้กับตัวเองเหมือนผู้ปฏิบัติ แต่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านอนุโมทนาให้กับบุญคนอื่นแล้วเราก็ได้บุญด้วยกับการปฏิบัติของเราเองส่วนรายการนี้พรุ่งนี้ก็มาฝึกปฏิบัติและฟังข้อธรรมต่างๆที่ท่านพิบุลจะนำมามอบให้กับพวกเราต่อไปสําหรับวันนี้ดิฉันสันตสนีนาพงรายการสรรนสนีสัทนาลาไปด้ยวยเพลินเท่านี้นะคะทท่าสวัสดีค่ะ